พระวิชาของพระเจ้าที่มาถึงเราในชาวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งสามวยบทที่17ข้อ1ถึงข้อ14ความว่าฝ่ายคนฟิริเตียก็รวบรวมกองทัพเพื่อจะทำสงครามเขามาชุมนุมกันอยู่ที่ตาบลโสโคซึ่งเป็นเขตยูดาและตั้งค่ายอยู่ระหว่างตาบลโสโคกับตาบลเซกาที่เอเฟส ดำนิมและซาอุกับคนอิสราเอลก็ชุมนุมกันและตั้งค่ายอยู่ที่อุปเขาเอลาและวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟิลิเตียคนฟิลิเตียยืนอยู่ที่ภูเขาข้างหนึ่งและคนอิสราเอลยืนอยู่ที่ภูเขาอีกข้างหนึ่งมีอุเขาขั้นกลางมีผู้หนึ่งชื่อโกลิอัตเป็นยอดทหารได้ออกมาจากค่ายคนฟิลิเตียเป็นชาวเมืองกัด สูงอกซอกคืบเขาสวมหมวกทองสำริดไว้ที่ศีรษะและสวมเสือ้อเกราะเสื้อกลอนั้นหนักห้าพันเซเชลเป็นทองสำริดและสวมสนับแข้งทองสำริดมีอกทองสํริดแขวนอยู่ที่บา่าหน้าอกนั้นเป็นไม้กับพันทอผ้าตัวออกหนักหกร้อยเชเชลเป็นเหล็กทหารถือโล่ของเขาเดินออกหน้า พ่อมายืนตะโกนไปทางแนวิเซลว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือเจ้าก็เป็นข้าของซาวูลไม่ใช่หรือจงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้ลงมาฆ่านี่ <c oughs> ถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่าตัวค่าได้พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้า ถ้าข้าชนะเขาและข้าตายแล้วพวกเจ้าก็จะเป็นข้าของพวกเราและรับใช้เราและคนฟิลิเตียนคนนั้นกล่าวว่าวันนี้ข้าขอท้าของทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถอะเมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินด้วยคําของคนฟิลิเตียคนนั้นเขาทั้งหลายก็ท้อใจและกลัวมากฝ่ายดาวิด เป็นบุตรของชาวเอฟราทาคนหนึ่งแห่เงเมืองเบเนเฮมในยูดาชื่อเจ็ดสี่ผู้มีบุตรแปดคนในรัชการของซาูลายคนนี้เป็นคนแก่แล้วเป็นคนอายุมากบุตรชายใหญ่สามคนของเจ็ดสีกเขาตามซาูลไปทำศึกแล้วชื่อของบุตรชายสามคนที่ไปทำศึกนั้นคือ บุตรหัวพี่ชื่อเอเรียบคนถัดมาชื่ออาบีนาดับและคนที่สามสัมมาดาวิดเป็นบุตรคนสุดท้ายพี่ชายทั้งสามคนก็ตามสาวูลไปแล้วขอพระเจ้าได้เวทผ่อนแก่ผู้ที่ได้อ่านและได้ฟังพุจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเดือนนี้พี่น้องครับ เราผ่านมา3เดือนแล้วนะครับก่อนอื่นที่ก่อนก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาคําเทศนานะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่า3เดือนที่ผ่านมานะครับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไรบ้างครับเราได้ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเราได้รู้จักกับพระองค์มากขึ้นกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเราได้มีความรู้สึกสนิทสนมนะครับสังเกตใช้คำว่า Intimacy มากขึ้นหรือเปล่านะครับาเดือนที่ผ่านมานี้นะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับความตั้งใจตอนปีใหม่นะครับเราได้ทำกับพระองค์ทำสัญญากับพระเจ้าเราได้คุยกับพระองค์เราได้พูดกับพระองค์บอกกับพระองค์ว่าเราอยากจะทำอะไรในปีใหม่นี้เราทั้งหลายได้ทำแล้วหรือยังนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะอัญเชิญพระชนะของพระเจ้าอ่านในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่7นะครับซามูเอลบทที่7็ข้อถึงข้อ14 ครับผมจ ะ, ะคัดมาเฉพาะบางข้อที่เกี่ยวข้องกับคําเทศนาในเช้าวันนี้ในข้อที่5ซามอเอลกล่าวว่าจงประชุมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสปาและข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านเขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่เมืองมิสปาตักน้ําออกมาเทถวายแด่พระเจ้าและอดอาหารในวันนั้นและกล่าวที่นั่นว่าเราทั้งหลายได้กระทํำบาปต่อพระเจ้า และซาโมเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลที่เมืองมิสปาซาโมเอลนั้นเป็นผู้เผยพรชนะนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายในคัะเดียวกันก็เป็นปูโรหิตถวายบูชานะครับเพราะฉะนั้นซาโมเอลเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากในเพิ่มพีเดิมก็คือมีสามตำแหน่งอยู่ในคนเดียวกันนะครับคือเป็นผู้พยากรเป็นศาสดาพยากรและเป็นปูโรหิตนะครับและเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้าย อิสราเอลนั้นเชื่อฟังซามหเอลมากและซามหเอลนั้นเป็นเหมือนกับเป็นจอมทัพนะครับที่จะนำอิสราเอลเนี่ยให้ไปตามาพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามก็ดีไม่ว่าเป็นการปกครองก็ดีไม่ว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าก็ดีในข้อสิบสองครับซาเหเอลก็นำศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาและเชนและเรียกศิลานั้นว่าเอเบนเอเซอร์ซึ่งเป็น หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ทั้งหลายครับชีวิตของเรานั้นมีหลายครั้งนะครับที่เราอาจจะกลัวเราอาจจะท้อใจสำหรับผู้โอบโสเดือนนี้เป็นเดือนที่ระลึกถึงผู้โอบโศนะครับเราจะที่ฐานเผื่อผู้โอบโศเราจะนาสิ่งที่ดีมาถึงชีวิตของผู้โอบโศเรารู้ว่าสุขภาพของผู้โอบโศนั้นหลายๆลายท่านนั้นก็ได้เสื่อมถอยลงนะครับครอบครัว หลายายครอบครัวนะครับก็ต้องการการหนุนจิตชูใจหลายหายครั้งนั้นเราพบกับสภาพของความเจ็บไข้ได้ป่วยดูเหมือนว่าชีวิตนั้นก็เป็นช่วงขาลงบางท่านบางคนนะครับก็สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไปพี่น้องครับเนื่องจากว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้ไถ่ไว้ด้วยราคาสูง และพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราในยามยากลำบากพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากทุกๆครอบครัวครับมีทุกนะทุกๆชีวิตก็มีปัญหางนั้นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งครอบครัวและผู้โอโสอยากจะขอหนุนใจว่าพระเจ้าทรงเป็นเอเบเนเซอร์ของเรานะครับเราจะมาดูครับว่าคาว่าเอเบเนเซอร์นั้น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 จะได้รับพระเมตตาและจะรับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการพี่น้องครับในพระัมภีร์หนึ่งซามูเอลบทที่7ซึ่งผมได้อ่านไปให้กับพี่น้องนะครับเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมีเบื้องหลังที่มาที่ไปของพระคัมภีร์ตอนนี้บริบทของพระัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าในในสมัยที่อิสราเอลนะครับยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่มีกษัตริย์ปกครอง พระเจ้าใช้ระบบของปุโรหิตเข้ามาปกครองแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นกษัตริย์นะครับก่อนที่จะมีกษัตริย์พระเจ้าได้มีของหรือเป็นตัวแทนนะครับของพระเจ้าน Israel เนี่ยทำให้อิสอเอลเนี่ยมองเห็นได้จับต้องอจับต้องได้หมายความว่าเป็นทางกายภาพนะครับก็คือหีบพันธสัญญานะครับหีบพั an นธสัญญานีครับมีรูปตามที่ท่านได้เห็นตรงนี้นะครับ ทำด้วยไม้หุ้มด้วยทองคาบริสุทธิ์นะครับหีบพันธัญานี้เกิดขึ้นในสมัยของโมเสสต่อมาในสมัยของโยชูวารับสืบทอดมาจากโมเสสนั้นผ่านยุคผู้มินิฉัยนะครับมาถึงยุคของซามูเอลเนะี่ยหลายร้อยปีทีเดียวเราจะเห็นว่ายามใดที่อิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าก็ เอาหีบพันธัญญานะครับออกจากชุมชนอิสราเอลเสียยามใดที่อิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้ายามนั้นความตกต่ําก็มาถึงอิสราเอลถูกศัตรูลุกลานศัตรูที่ถูกพระเจ้าใช้นะครับในการสั่งสอนอิสราเอลให้เป็นหอกข้างแคร่เพื่อเตือนสอนอิสราเอลให้อิสราเอลกลับใจใหม่นั่นก็คือพวกฟริสเตียเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ยินว่า คนฟริสเตียนั้นเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่มากแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับก็คือโกลแอตซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นคู่ปรับกับกษัตริย์ดาวิดนะครับตอนที่กษัตริย์ดาวิดยังไม่เป็นกษัตริย์เราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงใช้บางสิ่งบางอย่างนะครับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการพ่ายแพ้และศัตรูเพื่อที่จะเตือนสอนอิสราเอลให้กลับใจใหม่หลายครั้งทีเดียวนะครับชีวิตของเราเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อการทดลองนะครับ หลายครั้งทีเดียวก็เกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นนะถูกศัตรูทั้งฝ่ายโลกทั้งฝ่ายวิญญาณโจมตีเราเราก็สู้ได้บ้างนะครับสู้ไม่ได้บ้างผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะขึ้นอยู่กับว่าเราพึ่ง พ, พระเจ้ามากน้อยขนาดไหนจากบริบทขั้งรีตอนนี้นะครับเราพบว่าเมื่ออิสราเอลแพ้กับพวกฟริสเตียฟริสเตียเนี่ยนะครับก็ยึดเอาหีบนันญานี้ไป อิสราเอลได้สูญเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นสมบัติล้ําค่าเป็นศูนย์รวมใจและมีความหมายด้านประวัติศาสตร์และศาสน า, ศ า, ศาตลอดจนหีบพนัญญาเนี่ยก็มีความผูกพันกับชีวิตประจําวันในการอธิษฐานพวกเขาจะต้องหันเข้านะครับหาหีบพันัญญาที่พิจาราตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาต้องหันหันหน้าและอธิษฐานอยู่ตรงนั้น หีพันธัญานั้นเป็นเหมือนกับเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่อยู่ในโลกนี้ให้เขามองเห็นได้นะครับจับต้องได้ขณะที่ฟริสเตียนะครับเขาเอาหีพันธญาไปพีป่น้องชาติไหมครับในพรมพีบันทึกว่าเขาเนี่ยดูหมิ่นหีพันธัญญานี้โดยการเอาหีพันธสัญญาเนี่ยเข้าไปอยู่ในวิหารนะครับวิหารของพระต่างเดาเรียกว่าเป็นวิหารของพระดาโกน วิหารของพระดาโกนวิหารพระดาโกนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าขึ้นมาพระดาโกนนี่ครับล้มครับคนะอหักมือหักครับนะแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะพอเวลาล้มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพระพีบันทึกอย่างนี้ครับพระเจ้าก็นําโรคระบาด เ, เข้ามาอยู่ในชุมชนฟลิสเตีย เขาเป็นเนื้องอกเป็นฝีนะครับและฝีเนี่ยก็ติดเชื้อจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพวกเขารู้ว่าหีพันธสัญญานี่อยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าของอิสราเอลเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระดาโกนของเขาเขาก็เลยตัดสินใจนะครับว่าคืนหีพันธัญญาเนี่ยนะฮะให้กับพวกอิสราเอลเขาก็เชิญหีพันธัญญานะฮะแล้วก็ผลักเข้าไปอยู่ใน เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเบตเชเม็ดคนเบตเชเม็ดเนี่ยนะครับเป็นคนอิสราเอลนะฮะแต่เป็นเหมือนกับเป็นพวกที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนพวกฟริสเตียก็เอาหีบพันธัญานี้มาให้กับชาวเบตเชเม็ดแต่ปรากฏว่าชาวเบตเชเมดเนี่ยปฏิบัติต่อหีบพันธัญาอย่างไม่สมควรคือไม่ได้เชื่อฟังธรรมบัญญัติโมเสสบอกว่าห้ามเปิดหีบพันธัญานี้ดู ชาวเบเชเมีก็ไปเปิดหีบพันธสัญญานี่ดูเพื่อต้องการจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างในพีษษษษ่น้องทราบไหมครับว่าในหีบพันธสัญญาเนี่ยมีของสําคัญอยู่สมอย่างด้วยกันครับของสําคัญที่อย่างแรกก็คือแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตก็ไม่ได้หมายความเป็นแท็บเล็ตในสมัยของเรานะฮะแต่เป็นแท็บเล็ตก็คือเป็นศิลาจารึกธรรมบัญญัติ10บประการนะครับพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าสิบนะที่มาจากโมเส นี่เป็นของประกันกสิ่งแรกที่อยู่ในหีบ พ, พันธัญญานี้ของอย่างที่สองครับก็คือไม้เท้าของอารอนที่มีดอกนะครับดอกดอกตูมเนี่ยงอกขึ้นมานะฮะอันนี้คืออันที่สองที่อยู่ในหีบ พ, พันธัญญาและอย่างที่สามครับพี่น้องลองทายดูสิครับง่ายที่สุดแล้วครับอะไรครับโถใสมานาครับโถใสมานา3ามอย่างนี้ครับอยู่ในหีบ พ, พันธสัญญานี้นะครับ 3มอย่างนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์นะครับมีสั ญ, ญลักษณ์มีความหมายดังสิน้นไม้เท้าของอาโรนี้ไม้เท้าก็คืออำนาจหรือการปกครองนะครับผู้นำเนี่ยนะครับในสมัยโมเสสเนี่ยถือไม้เท้านะครับโมเสสก็โยนไม้เท้าลงไปต่อหน้ากษัตริย์ฟาโรปรากฏว่าไม้เท้าของโมเสสกลายเป็นงูใช่ไหมครับ นะและพวกนักเล่นกลของอียิปต์เนี่ยก็มีไม้เท้าเหมือนกันนะครับก็โยนไม้เท้าลงไปเหมือนกันก็กลายเป็นงูเหมือนกันแต่ปรากฏว่างูนะครับของโมเสสนี่คือตัวแทนของสั ญ, ญลักษณ์แห่งอานาจนะครับก็เอาชนะพวกงูของอียิปต์ได้หมดนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์นะครับไม้เท้าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของอานาจและการปกครองของพระเจ้านะที่อยู่ในหีพนันธัญญา และโถมานานะครับก็คือเป็นความหมายของการจัดเตรียมของพระเจ้าที่เลี้ยงดูคนอิสราเอล40ปีในถิ่นทุกกันดานไม่เคยไม่หยุดตกยกเว้นวันสะบาโตนะครับและแท็บเลตนะครับแท็บเลตซึ่งเป็นสีลาจารึกบันทึกบทบัญญัติของพระเจ้าสิบประกาศเนี่ยนะครับมีความหมายถึงการเชื่อฟัง เชื่อฟังและพระสัญญาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในหีพันธ์ยานี่นะครับคนเบเชเมตเนี่ยรู้รู้ทั้งรู้ว่าดูไม่ได้แต่พวกเขาก็ขัดคำสั่งพระเจ้าเปิดดูทำให้พระเจ้าก็ลงโทษครับเสียชีวิตถึงห้า0 0ื่นคนจนกระทั่งชาวเบธเชเมรกล่าวว่าผู้ใดจะยืนอยู่ต่อพระเยโฮวาผู้บริสุทธิ์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์นี้ได้พี่น้องสังเกตดูนะครับ ชาวฟริสเตียเนี่ยเขาเป็นศัตรูเขาไม่ได้เป็นคนของพระเจ้านะครับเขาทําอย่างไม่สมควรกับหีบพนันธสัญญานี้แต่สิ่งที่เขารับการลงโทษการพิพากษาจากพระเจ้าก็คือป่วยแล้วก็ตายนะแต่คนที่รู้ครับก็คือชาวเบชเชเม็เนี่ยทั้งทั้งที่รู้ยังทําการลงโทษนั้นหนักครับหนักกว่า ทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตถึงห้าหมื่นคนจนท่านเขาบอกว่าใครจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเยโฮวาผู้บริษัทพระองค์นี้ได้เรามาดูนะครับคนที่สามที่รับรับีบพันธสัญญานี้ไปนะครับคนนี้ชื่อว่าอาบีนาดับอาบีนาดับอาบีนาดับนี้นะครับเขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้องกับหีบพันธสัญญานี้ ปรากฏว่าพระเจ้านี่อวยพรครอบครัวของอาบีนาดับอย่างมากเลยและหีพันยานเนี่ยก็อยู่ในบ้านของอาบีนาดับเนี่ยถึง20ปีด้วยกันครับพระพรของพระเจ้ายับยั้งอยู่ที่บ้านของเขานะฮะไม่ได้ออกไปสู่คนอิสราเอลอิสราเอลก็เห็นว่าพระเจ้าอวยพรครอบครัวอาบีนาดับมากมายทีเดียวอิสราเอลก็คิดในใจว่าจะทําไงเพราะว่าพระพรนั้นจํากัดอยู่เฉพาะครอบครัวของเขาในบ้านของเขาเท่านั้นในวงในวงวันของเขาเขตแดนเขาเท่านั้นทําไง สรเอลก็ต้องกลับใจใหม่และเริ่มรู้ตัวว่าเขาขาดพระพรครับเริ่มเมื่อเริ่มรู้ตัวเขาขาดพระพรเพราะเขาไม่ให้เกียรติไม่พึ่งพระเจ้าเท่าที่ควรซามมเอลผู้พยากรณ์ก็ได้เสนอแนะและสอนพวกเขาว่าถ้าเขาจะยอมรับและกลับใจใหม่เขาจะต้องอุทิศตัวนะครับต้องสาภาพบาปแยกตัวออกจากคนต่างชาติไม่ทําตามคนต่างชาติที่นับถือลูกเขารบ นะและอุทิศตัวต่อพระเจ้าปฏิบัติพระองค์เท่านั้นพระเจ้าจะช่วยให้เขาพ้นจากศัตรูในที่สุดครับในหนึ่งซามูเอลบทที่7 เ, เนี่ยได้บอกกับเราว่าในที่สุดคนอิสราเอลเนี่ยก็ทิ้งพระบาอันและทิ้งพระอัชธาโรธเขากลับมาปฏิบัติพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวขณะที่พวกเขากลับใจใหม่นั้นปรากฏว่าคนฟริสเตียเนี่ยยก ทับมาตีเขาครับความน่ากลัวของพวกฟริสเตียนได้มีมากเพราะว่เขาเป็นคนโหดร้ายและเป็นคนที่มีรูปร่างใหญ่โตมีทหารรับจ้างซึ่งตัวใหญ่มากนะครับคนอิสราเอลขอให้ซาเหมอเอลอธิษฐานเผื่อซามอเอลกําลังอธิษฐานเผื่อและถวายบูชาปรากฏว่าคนฟริสเตียเข้ามาใกล้มากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นเรื่อยๆและจะสู้รบกับคนอิสราเอลพระเจ้าบันดาลให้คน ฟริสเตียแตกพ่ายไปทั้งกองทัพเลยครับกะเจอกระเจิงไปหมดโดยทำให้เกิดเสียงฝาร้องดังยิ่งนักจนพลิกสถานการณ์จากการถูกจู่โจมมาเป็นชัยชนะพระเจ้าพลิกแค่ฝ่ามือเดียวครับโดยการส่งสัญญาณจากสวรรค์ลงมาให้เกิดเสียงฝาร้องในที่สุดกองทัพฟริสเตียพ่ายไป ซามมเอลก็ได้เอาศิลาก้อนหนึ่งมาตั้งไว้ครับและเรียกศิลาก้อนนั้นว่าเอเบเนเซอร์นะครับเอเบเนเซอร์ e er มีความหมายว่า the stone of help ก็คือก้อนหินแห่งการช่วยเหลือเราแปลว่าศิลาแห่งความอุปถัมภ์ครับศิลาแห่งความอุปถัมภ์คือเอเบเนเซอร์เอเบนแปลว่า เอเบนแปลว่าก้อนหินนะครับก้อนหินเอเซอร์แปลว่าความช่วยเหลือ help นะครับเอเบนเนเซอร์แปลว่าก้อนหินแห่งความช่วยเหลือหรือศิลาแห่งความอุปธรรมและความหมายเต็มนะครับของเอเบนเนเซอร์ก็คือว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเรามาจนกระทั่งถึงบัดนี้ความหมายของเอเบนเนเซอร์นะครับอย่างเป็นทางการ ครับก็คือพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ผมอยากจะเล่าชีวิตของผมที่เกี่ยวข้องกับเอเบเดเซอร์นะครับมีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปประชุมกับมิชชันนารีครับที่เขาทำงานเกี่ยวกับโรคเอสคนที่ทำงานเกี่ยวกับโรคเอสในสมัยแรกๆนะครับค่อนข้างจะหมดหวังเพราะว่าคนที่เป็นโรคเอสนะครับ ในสมัยแรกๆเนี่ยที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่าตายหมดมิชชันนารีคนนั้นนะครับเขาก็ผ่านนะครับความลําบากเยอะแยะมากมายเขาต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินต้องการความช่วยเหลือด้านบุคลาก ร, กรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทําให้เขามีวันหนึ่งครับเขาเชิญประชุมคณะกรรมาการและผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปประชุมด้วยเขาท่านนั้นนะครับ ก็ยกพังพีหนึ่งสมเอโบทที่7แล้วบอกว่าพระองค์ทรงเป็นเอเมนเซอร์ของเราพระองค์ทรงช่วยเราจนกระทั่งมาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นครับภารกิจต่างๆเยอะแยะมากมายและชีวิตของเรามากมายเราจะต้องบอกกับพระองค์และถวายเกียรติพระเจ้า ว, ว่าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นเอเมนเซอร์ของเราครับก็คือพระองค์ทรงช่วยเราทั้งหลายมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พูดง่ายก็คือว่ามีวันนี้ได้เพราะพระเจ้าเพราะพระเจ้าช่วยเราพี่น้องใครมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างครับพี่น้องเราทั้งหลายได้สํานึกไหมว่าพระองค์ทรงเป็นเอเมเนเซอร์ของเราในพระคัมภีร์หนึ่งสมเอบทที่7นี้ทําให้เราเห็นว่าชัยชนะและความสําเร็จและเป้าหมายต่างๆในชีวิตของเรานะครับกว่าเราที่จะพูดได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเอเมเนเซอร์ของเราพี่น้องครับเราจะต้องทําอะไร ในพมพีนะครับตั้งแต่ข้อที่สองจนทั้งถึงข้อที่6เนี่ยเราอาจจะเห็นหลักการอยู่หหลักการผมจะพูดสั้นๆครับกว่าที่เราจะสำนึกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเอเมเนเซอร์ของเรานะครับประการแรกก็คือว่าเราจะต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปในข้อที่สองนะครับอิสราเอลบอกว่าบรรดาอิสราเอลพงพันอิสราเอลทั้งสิ้นก็คําควนถึงพระเจ้านะครับและในข้อที่หนะครับ ซึ่งเขาสาราภาพบาปนะยอมรับว่าเป็นคนบาปนะครับและในข้อที่6สาราภาพบาปข้อที่6บอกว่าทัา้งหลายประชุมกันที่มิสปาตักน้ําออกมาเทถวายแด่พระเจ้าและอดอาหารในวันนั้นและกล่าวที่นั่นว่าเราทั้งหลายได้กระทําบาปต่อพระเจ้านะครับยอมรับว่าเราเป็นคนบาปสํานึกตัวนะครับกลับใจไหมประการที่2ก็คือสาราภาพบาป นะครับประการที่สคือในข้อที่สครับกลับใจใหม่ถ้าทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าทิ้งพระต่างเดาพระอชตารอเสียท่ามกลางท่านทั้งหลายประการที่สี่ครับเริ่มต้นนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับพระองค์ในข้อที่สะมคำพีบอกว่าปักใจของท่านตรงต่อพระเจ้าเท่านั้นนี่เป็นอย่างที่สี่นะครับอย่างที่ห้าครับอุทิศตัว ถวายแด่พระองค์ปฏิบัติพระองค์เท่านั้น5าประการครับทบทวนนะครับ5าประการก่อนที่เราจะพูดเอเบเซอร์ er ได้1ครับสานึกยอมรับว่าเป็นคนบาป2 ส, สารภาพบาป3กลับใจใหม่4เริ่มต้นธรรมศรัทาอย่างถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับพระองค์และประการที่หก็คืออุทิศตัวถวายแด่พระเจ้า 5อย่างนี้ครับอิสราเอลทำอย่างนี้จนเขานั้นได้พบกับเอเมนเนเซอร์ครับเขาพบว่าพระเจ้าช่วยเขาตลอดมาเรื่อยๆๆๆๆดาใบใดที่เขากลับใจใหม่สารภาพบาปนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องอุทิศตัวถวายแด่พระองค์เขาจะพบกับการช่วยเหลือของพระเจ้าตลอดเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปความหมายของเอเมนเนเซอร์นะครับ ก่อนที่ผมจะจบในเช้าวันนี้ไม่อยู่เจ็ดอย่างด้วยกันครับเอเมเตอร์ทำให้เราสำนึกและตระหนักแ ล, และลึกถึง7จดประการนี้ประการแรกครับก็คือการทรงไถ่ของพระเจ้าเมื่อเราลึกถึงว่าพระเจ้าเอเมเตอร์ทรงเป็นเอเมเตอร์ของเรานะครับประการแรกก็คือเราลึกถึงการทรงไถ่ของพระเจ้าสมัเอลเอาศิลาก้อนหนึ่งวางไว้ระหว่างเมืองมิสซาและเมืองเชนเรียกเสียวา่า เอเมเนเซอร์ cer, เพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเป็นที่เลลึกครับเป็นอนุสาวรีแห่งการช่วยเหลือท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้เห็นไหมครับนี่คือความหมายเต็มๆของเบเนเซอร์ว่าพระเจ้าทรงดูแลทรงช่วยเหลเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถึงบัดนี้นะครับพระเจ้าไถ่เราในพัมพีเดิมหมายถึงการที่พระเจ้าไถ่คนอิสราเอลออกจากอียิปต์นาเขาข้ามทะเลแดงมาเขาหวนกลับไปเขาบอกว่า พวกเราชาติกำเนิดของเรานั้นจริงอยู่เกิดขึ้นจากอับราฮัมอิสระยาโคบแต่ความเป็นรัชชาติยังไม่เกิดนะครับแต่ชาติเกิดแล้วตอนไหนครับตอนอยู่ที่เพศอียิปต์พวกเขานั้นสามารถที่จะระบุถึงตัวตนนะครับความเป็นชาติของเขาได้จากพงพันธ์จากเชื้อสายของเขาขว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหลังจากนั้นครับพระเจ้านาเขาออกจากอียิปต์ ออกมาเป็นชนชาติพระเจ้านําเขาผ่านทะเลแดงข้ามภูเขาซีนายผ่านทุนที่กดานจนทั้ถึงแผ่นดินพันธญญาในยุคเพิ่งผีใหม่ครับไอเบเนเซอร์ของเราคือพระเยซูคริสต์ครับทรงเป็นองค์ไอเบเนเซอร์ของเราก็คือพระเยซูผู้ไถ่เราโครงทรงกระทําให้เกิดการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนของพระเยซูบทแมงเขนโครเสียบที่หข้อยี่สิบ น, โโนะครับ และโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทําให้มีสันนิภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์อันนี้คือสิ่งที่พระเยซูซึ่งเป็นองค์เอเบเดเซอร์ของเราในพรมีใหม่ครับนี่เป็นประการแรกก็คือเราจะระลึกถึงการทรงไถ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่สองครับเราจะระลึกถึงการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าในข้อสิบองของพรมีบทนี้นะครับ แต่ผมอยากจะ ย, ย, ยกเพิ่มเีกข้อหนึ่งในสดุดีบทที่121หลายหายคนท่องได้นะครับเมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าจะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระเจ้าผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่เคลื่ไปนี่คือการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าสําหรับลูกของพระองค์ชนชาติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นแอเบเนเซอร์ของเราทั้งหลาย พี่น้องครับเวลาเราลึกถึงว่าพระองค์ทรงเป็นเอเมนเซอร์ของเราครับเราลึกถึงการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าในชีวิตของเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับในพระคัมภีร์ใหม่ครับสองทิโมธีบทที่4ี่ข้อสิถึงสินะครับผมอยากจะยกในข้อที่17นะครับองค์ผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ข้าพเจ้าและได้ทรงประทานกําลังให้พระเจ้าประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คนต่างชาติได้ยินและข้อ18ครับ องค์พระผู้เจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์พระศรีจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิชช่วง น, น, นิรันดร์อาเมนนี่คือสิ่งที่ในพระคัมภีร์ใหม่ก็ได้ยืนยันว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเรานะครับพระเจ้าจะโปรดช่วยเราคุ้มครองเราให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างพระเจ้าจะประทับอยู่ใกล้กับเราอาเมีนไหมครับพี่น้อง นี่คือการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องคุ้มครองเรานะครับเรามาไม่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเอเบเซอร์ทรงเป็นเอเบเซอร์ก็คือพระเจ้าดูแลเราปกป้องเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ประการที่3ครับพระเจ้าทรงตอบคาําอธิษฐานครับในข้อที่9ข้อที่10ชาวอิสราเอลได้ประสบการณ์กับการตอบคาําอธิษฐานของพระเจ้าเขาได้รับชัยชนะนะครับในการต่อสู้ในการสู้รบ ในพระบีดาเดิมเยเรมีบทที่สาสข้อสได้บอกว่าจงทุนเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้ให้กก่เจ้าจนข้าพเจ้าจะตอบคําอธิษฐานของเราและจะบอกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ยิ่งใหญ่และซ่อนอยู่ให้กับเราทั้งหลายพี่น้องนี่คือสิทธิทพิเศษในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าพระคัมภีร์ใหม่มัทธิวบทที่21่็ดข้อยีบอนะครับบอกว่าสิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้สิ่งสารพัดที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้นี่คือทรงตอบคําอธิษฐานนะครับประการที่สี่ครับการประทานชัยชนะเหนือศัตรูการประทานชัยชนะเหนือศัตรูรรนนตรในพรัมพีหนึ่งยอนบทที่ห้าข้อที่สี่นะครับได้พูดถึงว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเราเนี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้องค์ไอเบเนเซอร์ของเรานะครับ สัญญาว่าเราจะชนะโลกครับเราจะชนะศัตรูของเราเราจะชนะสิ่งที่มาล่อลวงเราทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกใ น, นพระัมฟี่เดิมได้ให้ความหมายของชัยชนะก็คือชัยชนะเหนือศัตรูใ น, นพระัมฟี่ใหม่ได้ให้ชัยชนะก็คือชัยชนะเหนือศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรานั่นคือมารซาตานประการที่ห้าครับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเมื่อเราละลึกถึงองค์เอเบเนเซอร์เอเมนเซอร์บอกกับเราว่า เรารู้นะว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อครับในโยชูวาบที่ยี่สิข้อสิ่นะอ่านได้ความอย่างนี้ครับว่าบัดนี้ข้าพเจ้ากําลังจะเป็นตามทางของโลกแล้วนั่นคือกําลังจะตาย <c oughs> ท่านทุกคนได้ทราบในจิตใจของท่านแล้วว่าไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเยาว์ว่าพระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวท่านแล้วจะล้มเหลวไปเห็นไหมครับความสัตย์ซื่อของ พ, พระเจ้าอยู่ตรงนี้ ไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระเจ้าสัญญาไว้จะล้มเหลวไปสําเร็จหมดทุกอย่างไม่มีสักสิ่งเดียวที่ล้มเหลวคนที่เดินไปกับพระเจ้านะครับพี่น้องจะรู้ว่าพระสัญญาของพระเจ้านี่แต่ละข้อแต่ละอย่างเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นความจริงทั้งนั้นโยชูวาก่อนที่เขาจะตายนะครับเขาพูดกับชนอิสราเอลว่าทั้งชีวิตที่เขาเห็นมาทั้งประวัติศาสตร์อิสราเอลทั้งชีวิตของโมเสสก่อนหน้านั้น ทั้งชีวิตของชนชาอิสราเอลทั้งหลายตลอดมานั้นเขาเห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเพราะฉะนั้นซามูเอลซึ่งสืบทอดจากโยชูวาต่อ่าเขาว่าทรงเป็นเอเมเนเซอร์พระเจ้าทรงช่วยเราด้วยความสัตย์ซื่อของอพระองค์ต่อพระสัญญาของพระเจ้ามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่คือประการที่หประการที่6ครับเราสามารถเป็นพยานได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นเอเมเนเซอร์ของเรา นในพระคัมภีร์เดิมสวดุลีหนึ่งร้อยเอสว่าให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้แล้วกล่าวเถิดว่าผู้ที่โปร่งทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์เป็นพยานได้ครับพระเจ้าช่วยเราอย่างไงนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเป็นพยานกับเพื่อนของเราที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราทรงเป็นเอเมเนเซอร์ของเราในพระคัมภีร์ใหม่ครับหนึ่งเป็นตัวที่สองข้อห้าทั้นหลายก็เหมือนกับศิลาที่มีชีวิตกําลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เป็นปูนหิตบริสุทธิ์เพื่อสักการะบูชาฝ่ายวิ ญ, ญญาณที่ชอบพระไทยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เองครับเราทั้งหลายซึ่งมีพระเยซูทรงเป็นเอเมเนเซอร์ของเราเราก็เหมือนกับศิลาที่มีชีวิตครับที่ยืนอยู่นะครับเอเมเนเซอร์ e ของสมเอลเนี่ยเป็นศิลาที่ไม่มีชีวิตแต่เราเนี่ยเป็นศิลาที่มีชีวิตครับ the stone of hell ที่เราบอกว่าเป็นพยานได้บอกกับ คนอื่นๆได้พระเจ้าทรงเป็นเอเบเนเซอร์พระเจ้าทรงเป็นศิลาที่ช่วยนะครับศิลาแห่งความอุปสมบมเป็นศิลาแห่งองค์อุปสมบมของเราประการสุดท้ายครับเวลาที่เราบอกกับพระเจ้าว่าทรงเป็นเอเบเนเซอร์ของเราประการสุดท้ายก็คือว่าเราจะมีความมั่นใจในอนาคตนะครับมั่นใจในอนาคตเมื่อคนชอบทำร้องทูลขอ พระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทั้งสิ้นของเขานี่คือพระสัญญาของพระเจ้ากับชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งติดตามพระเยซูติดตามเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเอเบเนเซอร์ของเราคือในอนาคตเราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหครับข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ พี่น้องครับทรงเป็นองค์เอเบเนเซอร์ของเราพระเจ้าทรงช่วยเราจนกระทั่งถึงบัดนี้ในชีวิตของเรานะครับหากว่าเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราจะเห็นการช่วยของพระเจ้าตลอดนะครับเมื่อเราถอยกลับไปนับพระพรของพระเจ้าในแต่ละอย่างแต่ละอย่างในชีวิตของเรานั้น เราจะสามารถกล่าวได้ไหมครับว่าทรงเป็นองค e ์เอเมเดเซอร์ของเราพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์กว่าจะได้มาวันนี้นะครับพี่น้องใช่ไหมครับกว่าจะได้มาวันนี้กว่าจะเป็นวันนี้ได้เราจะพูดอย่างที่ซามูเอลได้ตั้งศิลาไว้ไหมครับว่าทรงเป็นเอเมเดเซอร์ ur ur ของเราอ่านได้ไมครับพี่น้อง ทรงเป็นเอเบเนเซอร์ของเรานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับเมื่อเราเก้าวเข้ามานะครับถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตแล้วเราถอยกลับไปเราจะสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าว่าทรงเป็นเอเบเนเซอร์ของเราอาเมน